สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง FM 106 ค่ะหลังจากที่หยุดจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน เนลสันแมนเดลาประธานาธิบดีที่เป็นคนผิวใต้ที่มาตามระบอบประชาธิปไตยอ่ะนะคะดัง ได้เข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยสอดคล้องกับธรรมะของเราแล้วก็อยากจะเอาไปกราบเรียนถามท่านพระบูรณะได้อ่าสังเคราะห์กลุ่มเรียนสังเคราะห์ค่ะ ก็จริงๆเรื่องเนี้ยตั้งแต่ราชามหากษัตริย์หรือว่าคนที่อยู่ในชนชั้นปก แต่แต่ว่าอาจจะเป็นค่ะเอ่อทีนี้อ่าในคําคมของเค้าเนี่ยนะคะเอาเลือก ลวงให้ผู้อื่นตายอืมเนาะอ่าก็ไม่ทราบว่าความคุณเคืองคือการที่คุณดื่มยาพิษลวงให้ผู้อื่นแล้วไอ้ไอ้เราคิด เอ่อต้นนรกหมกไหม้นะซึ่งอารมณ์ตรงเนี้ยคือความโกรธความกุ่นเคืองที่เกิด นะความโกรธเหมือนกันเลยนะความโกรธเป็นอันเดียวแล้วนะไหม้แล้วนะข้อข้อผิวก็จะหยาบมาก สะใจนะได้พูดใส่กันแต่บางทีเอ่อไอ้ค่ะอืมคือถ้าคือพระใช่มั้ยคะใช่ค่ะ ได้ทราบว่าคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นการค้นพบความจริงๆแบบเราเนี่ยอาจ การกระทําของเขาเป็นอย่างไรคําคมคําไม่เหยียดผิวคนพื้นที่แต่เค้าเนี่ยชนะมาได้และเค้า ก็มี 2 เส้นทางที่นําพาให้ไปถึงจุดหมายอืมเอ่อคือถ้าพูดถึงเรื่องของเส้นเส 8 นะอ่าแล้วก็ เอ่อ 8 ตอนนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่ 8 นะการให้ นะ. แล 8 แล้วถ้า 8 เนี่ยครอบๆมากกว่า ท่านภิบูรณ์กําลังจะหมาย 8 ของพระพุทธองค์ซึ่ง นั่นคือความเจริญความรุ่งเอ่อรุ่งเรืองในประเทศชาติก่อนนั้นคือเราไม่ได้วัดกันที่วัตถุไม่ได้วัด แต่ถ้าเป็นเรื่องของสังคมเรื่อง 8 ซึ่งในกรณีของในกรณีของเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ก็เป็นคนที่พื้น เสททวว2 เส้นทางที่จะพาไป 8 เนี่ยอย่างการให้อภัยนี่อยู่ในว่าการผูกเวรนะการผูกเวรกับการให้อภัยเนี่ยตรงข้ามกันสมมุติเรา นะกำลังจิตเครื่องของสัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิค่ะก็เป็นความดีเป็นความ ซึ่งอยู่ในอริยมรรคมีองค์ 8 อย่างแน่นอนนะตั้ง 27 ปีก็มีคนไปถาม เขาไม่โกรธหรอกเพราะว่าถ้าเขายังโกรธอยู่ก็เท่า แต่เป็นกรณียึมสินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบคนที่โกรธเนี่ยเหมือน ยังพูดถึงการติดเรือนจํา 4-5 อย่างนะ 5 อย่างด้วยกันที่พูดถึงเรื่องของนิพพาน 5 นะแล้วก็การ นึกก็ค่ะนะอืมค่ะงั้นขออีกสัก 1 คําคมของเมนเดล่านะคะแล้วศัตรูก็จะกลายเป็นหุ้นอือฮึจับไม่ได้เลยค่ะอัน อ่าถ้าบอกว่าเค้าเปลี่ยนคือคือศัตรูนี่ดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะคือเค้าอาจจะเก่งหรือเค้าอาจจะเป็นคนผ่านหรือเป็นบัณฑิตอีกเรื่องนึงแต่ว่าเป็นศัตรูกันใช่มั้ยที นะคนพาลนี่อย่ามาเกี่ยวข้องกันเลยนะเกี่ยวข้องก็ก็อย่าให้เป็นนะความสัมพันธ์เป็นมิตรก็อย่าให้เป็นเพราะถ้าเค้าเป็นคน แต่ก็เป็นบันดิตเออแทนที่จะเป็นศัตรูมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอย่างงี้ค่ะและสุดท้ายค่ะสันติภาพเนี่ยเอ่อจะเป็นๆที่เนี่ยพุทธเจ้าก็ นั่นคือธรรมจักรนะที่เป็นอาวุธในการที่จะค่ะก็ดิฉันเองก็คิด ทรงสอนในสิ่งที่เหมือนกับพยายามให้ใช่สันติภาพคือว่าการที่ไม่ต้องในเวลาที่เราเกิด ใช่ๆนะนะก็อันนี้เป็นแมนเดลาที่เสียชีวิตไปก็มีใชใช 4 เรื่องนะคะสันนิษฐานคือ 2 คือความที่ 3 ก็และ 2 เส้นทางที่ว่านั้นชื่อว่าความค่ะเพราะธรรมะคือความจริงเพราะฉะนั้นใครผู้อะไรที่ถูกหลัก mm hmm. ค่ะวันนี้ค่ะกราบนักสังเกตกันท่านคะเรียนบานระหว่างที่เคารพค่ะราย ในวันพรุ่งนี้ 106 ค่ะพุทธ